รับตามความต้องการผู้รักษารักษาอยู่สิ่งบางอย่างมันมาเป็นการทำลายเก้าอี้อะไรพวกโซฟาโซเฟอรมันน้อยเมื่อไหร่ที่ออกมาให้เอาคืนเอาคืนพูดที่พูดออกมาขอถตะไวก็ไม่ให้เอาก็มาฐานะไรหายุ่งกับสินะมานันจึงไม่ให้เอายามาเสริมกับมาฐานนี่แหลกเล้วไปหมดแล้ว เปลียนใจคนไม่คำนึงทำไม่ได้เรื่องทำครอบโลกฐานคนเป็นเรื่องแต่ละคนละคนะที่หวยเหตุผลที่ควรจะเข้ากันมาคั้นกันได้กับธรรมก็ให้เข้ามันขัดต่อธรามตรงไหนอมันไหนก็ต้องคัดออกคัดออกจะไปรับถึ ม, มสูงสี่ห้าไม่ได้นะ่ะศาสนาเป็นเครื่องปกครองโลกบุคคลเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจะให้มีน้ำหนักคุณค่าเท่าศาสนาไม่มีมีไม่ได้ เขาไม่มีประเพณีหลักทมนิยมไ้ที่ตรงไหนทมนิลิดอยู่แล้วจุนต้อนในคำหนึ่งเสมอเนาะมันเข้าทุกชอบทุกมุมมันนะดูดูไม่ได้เหมนเมื่อวานนี่ ม, มั น, มนไหน แล้วไปนู่นหรือไปเจออยังนู่นอีกเดินอะไรก็ไม่รู้นะองค์ไหนเป็นเจ้าของจะรู้เองละ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีในวันนี้พระตั้งเดิมไม่มีเดินอย่างนั้นเดินแขวนแขนยกไปแขนอะไรก็แล้วแต่ไปนันไปอย่างสบายสบายเอามากทีเดียวนะสบายจนสังเวชเหมือ น, นเราไมเห็นนะ นี่อย่างนี้แหะเ ข, เข้ามาผสมกันแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันได้มาทุกแบบเลยไอ้แบบไม่เป็นท่านะ น, นะไม่ใช่แบบดีนะมีแต่แบบมาทำลายกันพนะระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล เป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมแต่หัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใด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 ที่บรรจุในพระไถยไม่ได้เพราะอันทำเหล่านี้ในพระไทยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านสเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นสุข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 ไปสถานที่ใดมนุษย์มานาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเรืกกว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังกัจฉามินี่ออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดง แม้อากับกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติธปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนเรื่อศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งประพุทธเจ้ายังทรงพระชนดูเพราะ ผู้ทรงอัดทรงธทรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำลับตำลาท่องบุญสังวัทยายได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่น จเจริด้วยความจดความจําต่างหากซึ่งต่าง ก, กันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นขั้นนานมาก กล่วงลยไปล่วงลยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้จะหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงมิมุตตพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธการนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีนี่ร้อยทั้งร้อย มักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิดันจึงหาผู้ทรงมักทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมักจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเรา่องนี้เป็นของดีแล้วหรือสาหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัาจธระทแล้วมันควรจะน่าใจหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่ง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 มีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เขี่มงวดขวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้ ก, กาจัดด้วยความภาคเพียนมีสติปัญญาเป็นทุนขันอย่างไรหรือไม่ ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมาก์กทรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ครวญความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียนตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนี่รูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็น เห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนนี่ส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของจิเลสซึ่งเป็นตัว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 จึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันจากพ่ออย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายุชนภายนกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัดเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นตีใจได้ นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มภูมิลายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสำปะสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายนจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวาย หาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีเนี่ยท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงมุ่นวาพานจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละ ไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนบวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ยกอนแต่เราก็ไม่เคยคิด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 ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะห า, าดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไป ม, มากต่อมากแล้วเวลานี้าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำรา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 แล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงถึงกับหาขณะเบล่มเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกกล้นวนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองมองดูจิตของเราในขณะใด เป็นขณะที่กำลังชำละกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นก้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีนี้แต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่าทำลายภ า, ายใน จ, จิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แหละศาสนาเสื่อม ถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกันกบที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสินสุขกะโปรงโสมมุมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเรา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 แกกันไปด้วยความภาคเพียนจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนั่นเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับกำดาแล้วจเจริญขึ้นเรื่อย จนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบันไลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียกรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยับยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรง หรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งกิเลสตัวสกรปรกสมมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่ให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบาเพ็ญ ถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนตลอดกลับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยๆแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุกิการบาเพ็ญ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 พรอจิตนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันหน่าตาหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขนาดจิตถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดสองมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลาดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่หน้าติเตียนเป็นสิ่งที่น้าตหนิเป็นสิ่ง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 เข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทํางานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตําหนิหน้าตําหนิที่ตรงไหนก็หน้าตําหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อนเรื่องก่อราหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละ เมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั่นเสียด้วยางานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแลความสงบ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 เราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขไดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไร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 ท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจากปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพูทธากานนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงขัข้นตายใจทอดอะไรตายยาก ในการประกอบความเพียรและตะเกียร์ตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งธุทการเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่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 บรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาตอดถอนกิเลสจนไม่มีชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเว ล, เวลามาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปไม่ไดนี้ให้สิ้นสุดบีมุตดหลุดพ้น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 นอกจากจะมอบมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบใช้เอ ง, ง, ง, ง, งทั้งๆที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของมือเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนํามาปราบให้แก่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเฉดสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราซึ่งหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทําอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทําประโยชน์อะไรได้เมื่อไรจิตเมื่อ ทำตัวให้เป็นสูงให้ให้กิเลส ข, ขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่ละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั่นมันเป็นเ ว, เวลาหนึ่งต่างๆ ก, กิเลสที่อยู่ในหัวใจเหล่านี้อาการลิโก หาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลาบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอาการลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบททำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันน่นมันรักรักเพราะอะไร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 ราคามันหลงอะไรมันถึงในกำหนักยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำรับตำลาโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูออะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลง ถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลสร้อยเปอร์เซนให้มันลากมันถูไปสดสดร้อนร้อนด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นแต่นำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ยอ่ยอๆว่าเกสารุมานาคารันต า, าตะโจนนี่กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุด ม, ม, ม, มันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้า อาวุธของมูสเดจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าละ่ะเอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรญยอสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ ด, ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรัก จิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่โหนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทําไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิถ้าใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเชิงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเหล่านี้เท่านี้ก็พ อ, อเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกาันเอา้า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 กับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่กอบเผาซึ่ง ก, กันอากันนั้นเต็มโลกเต็มมงสารไม่ได้คำหนึ่งเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่ ส, สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดสดร้นอนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เา่าเนานี่พูดกันทั่วๆไปหมด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 เพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตันหานี่เสริมเท่าไรมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนออ ร, ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำทำเข้าไปจิดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไป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 มาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดลัดกั้นสี่ น, นี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวฟังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากา ม, มาคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณแปออกเปน็นยางไนแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณ เราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยทำคือมีทำเป็นเครื่องกํากับมีทางเป็นทำเป็นเปรียกข้ามล้อมีทำเป็นเครื่องพาดําเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัตตามทำแม้กิเลสมีก็ให้นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสการมราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นการ ม, มคุม ต่างคนต่างร่วมเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สะซื่อสัตว์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอาจมีทํากามเมสมิตรฉาจารไม่ล่วงล้ําเขตแดนของการกันนี่แหละคือรั้วกัน้นพิเลรศกรามเหล่านี้หรือกรร ม, มากุลเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะเปรอบความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็น มีความสุขลูกเต้าหลานเลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนําสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทําลายจะเป็นต่างคนต่างทิพย์หายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจิต การห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเศษเป็นแดนสิ่งที่เป็นฟืนเมนไฟไม่ให้มันเผาไหมา้จนเกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพูทที่ตรงไหนอืมพระารณาลยนี่หละเรื่องธรรมมีความจําเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนนวัดิบาอาวาสที่เป็นผู้บัพ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดีด๋ยวธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟระได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทําลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมก็คือน้ําดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมอหน้ํายอกเท้านิดหนึ่งก็ น, นั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี้ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจ หมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อรําร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อนาร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่จะเกี่ยวตากายให้หลุดพ้นจากหม้อนาร้อนนั่นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของไข่ก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเหล่านี้สําคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีเขาให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลื้อเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบททั้งสี่มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียบตะกายให้ลําบากลําบนที่อยู่ที่อาศัยเขาก็ทําให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้ อาหารก็หาไม่ให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระนถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับติดของตัวเองเสียทั้งนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลาย นิเรศมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นหลอกถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็นั้นกี่กับกี่กันก็ต้องตัวเหนือนั่นและอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่ล่ะ ว, วางกองเผอิญเทินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้ เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม่ที่สุดอาหารวานข้าวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไ ม, ไม่ต้องมารับทานมันจะสร้า ป, ประโยชน์ไหมหาความสเร็จ ป, ประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าสําหรับบุคคลประเภท น, นั้นนี่ก็วันกันทำมามีอยู่มีอยู่จะนํามาแก้กิเลสถอถอนกิเลสไม่ยอมนํามาปล่อยให้ตะกิเลสเหยียบย่าทํำลาย หัวผ้าหัวเนียนคือหัวใจพระนั่นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น้าคิดหน้าทุเล็มากนะแล้วยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตตรีหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนียนเราได้ดปฏิบัติปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอานยธรรม แบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนมูเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วทาไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นฆ่าศีลต่ออาต่อธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเท่าไรต่างคนต่างสังหารทําลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั้น ไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างเหรอนักบวชเราเป็นยังไงไหให้คนอื่นเขามาอายได้เหอเรอเจ้าของต้องละอายจิที่นี่โอตตะปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เหลวที่สุดเหลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังซินี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชานชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็น อยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนรรคบวเราแล้วเป็นยังไงมรรคปุณิภัณไม่สนใจพี่นาซีพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกวเนนเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยิน การอาการแสดงออกของพระของเนรกเผาไปตั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่ของสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี้ที่จะให้เผาให้ไหมเลยแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิม่งที่วิเศษวิโสภผู้ปฏิพฤภารปัิพฤ ป, ป, ปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหานก็ พุทธังทมบางทางกลงสนังกระฉามมิได้กล่าวคนจนกะทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหนือสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มูแต่ขูดเต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรือวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันในขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้ามันใชขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้น่ะ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 ถ้าจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดแต่ทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภยัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วชา้าละมกไม่ให้มัดติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทาไมเราจรึงชอบเอานักหนา ก, กับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจ บ, บีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวอืมมองดูอากับกิริยามีแต่ขี้ แสดงออมาจากความขี้โลวขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในการของเหล่านี้โศกปรวกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราเราผ่านไปได้นะไม่ได้โศกปรวกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลคขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวเนียนยิ่งยามายาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีมีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคน แล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นผ้าด้แล้วทำไมจะไม่ยังไม่รู้เรื่องความเศรโศกของตัวเองที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภ า, ายจในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภ า, ายในเอาให้เห็นชัดชันที่นักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชันแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำยูอย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนมินไป เหัวใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วและไม่มีทางที่จะให้หาความสูงได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิกไม่มิไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสียกสรนความเสียกสันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งจีเนียวโล ก, กธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรนพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนําไปพื้นปฏิบตัติมา ศึกษาอบรมก็มากก็มากนี่ผมก็ทนจะว่ายัางไงตั้งห้าสิบหกจุดก็ไปโดยลําดับลาดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเย่เยอ่เย อ, ย อ, ยอในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใคร นอกจากอจาจจตธรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประชิดนะักปฏิบตัติการมิดาบาตัตให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกหลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิดาบาตัตท่านละบิดาบาตัตเป็นวัดคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความชัางวลระวังตัวเองนี่ อย่ามาด่วนอย่ามารุรี่ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหากงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกรลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสะกรปรกและบาดสากระจาไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกรปรกไปที่ไหนเป็นยางไ น, น <c oughs> อ๋อ ตอนนี้พอเนี่ยพูดถึงเรื่องผ้าเรนเรเหล่านี้ทุกวันนี่น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงๆไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตําหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุ่แห่งทุง่มหงไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมดุลแรงมากนะและยิ่งเสริมด้วยซ้ําไปแล้วยิ่งไปลยใหญ่เวลานี้ อไม่ทราบวราเจ้าใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวาตเหมือนกันพระเหมือนกันอมีแต่ดิ่นตายแบบอย่างกันหมไม่มีเบรกเลยนี่จะว่างผมในวมีตวิจารณ์เรื่องไฟฟ้าคารวัตแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าลวงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่านเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียาอะไร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 พระเนี่ยจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี่ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟาอะไรกันเนี่ยอันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลือเลยนะอันนี้เราวิโตวิจารณามากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีซะลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าจะตายแล้วอีแรงอีกรรม มันจะไม่เห็นยังไงตายอาิกาเรื่องมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหว ะ, ะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงพับนี่มันจะพึกหมดซากนี่ไม่มีเหลือเลยนั่นอาสิเนี่ยอีลาิกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีลาิกาคือใครคือพระคือเ น, นเรา เนี้อหลักเดี๋ยวนี้คอยยังนี้มีอะไรถ้าไปว่าอันนั้นคอยยังจะมีที่หรือว่ามีจังคอยจังหวะอใครจะมีใครมีก่อนมีหลังในส่วนจะเรียงใจครูวาจารเนี่ยผมนึกว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วละมันเลยด้านด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านด้านไหนไม่รู้มันด้านต่อด้านด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะครึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเด่นถ้าลงอันนี้จะเข้าตรงไหนแล้วหมดหมดว่างั้นเลย เราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันมันทําความเจริญให้ที่ไหนทันซ้อนไปแล้วให้หลีกให้เวน้นก็มีอยู่ในอัตถิธรรมมันหากว่าถ า, ามาเผาหัวมันพี่นาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใสหมูใส่เพื่อนหนะเราพูดนี้เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดิบความดีมดอัตทํารรแก่หมู่เพื่อนเอาพิจา่นาสิสิ่งอันนี้นพระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอ สาวกา็หลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอันธรรมท่านพามีหรือนาอนันธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนั่นเพียงแต่นัตจาคีแต่วา่วาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงนนั่น น, น, นันมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้ยน่หน้าทุเรียนนะนี่ทาไงยืนได้อด ี่ตกมาได้เอาศาสนาเสื่อมเขเสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมไปอย่างนี้เองตำลับตํารามี้ในตู้ในคัมภีร์อะไรเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไปได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจปืนไฟมันก็ได้แต่ปืนแตบไฟศาสนาเสื่อมศาาเสื่อม มันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิพิริยาการมันแสดงกับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่นี่เราพูดลงผ้าเราเนีนแล้วสันหนักพลวัตมาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเกียตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กเด็กน้อยกัดฉีกหายไปหมดเวลานี้่ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนระไปนั่นี่มันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงาม แก่บ้านเมืองได้ยังไงแก่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีแต่พอเป็นที่ยึดที่กาะกันได้ยังไงนั่สมกับว่าปัญญาชนือ mm. ตัวเป็นแคกเองไม่ทําไมแหลกหมด mm. นี่อดพิโตกไม่ได้นะผมมันวิโตกตลอดเนี่มันก็ไม่ผิดใช่ว่างไงว่าเหล่านี้มันจะผิดกันไหนค่อยดู บางบ้ัดมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมาฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่กุญแจมั่นเรานะบางวันอาจมีอยู่แล้วหลบๆซ่อนๆ น, นี่นะมันหน้าทุเรียนนะมันด้านกับตัวันด้านกับตัววันโอ้เปนั่นกับเอา วิเลยเข้าไปเยี่ยบทำเข้าปีให้นักเข้าปีอย่างที่กาลกี้นี้ว่ามรรคนี่ผ่านไม่มีโมดเสกโมสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรก็คือไฟเาผาหัวใจเนี่ยพอหานี่นือหาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอะไรทําให้เจอิญทำอะไรทํามีอยู่นี่ทำํำในสูตรไม่จากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนอวิเลยเป็นชั้นใดทํำก็เป็นชั้นนั้น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 แล้วทำไมจะไม่ได้ทำอนี้ส่วนร้อนกลางวันตลอดเวลานี้ระหว่าอยู่ทุกแห่งทุกแห่งที่มันไม่สนใจนั่นตืโอ้ทุเรศโอ้คิดไม่ได้ลงหมดอย่างนี้ศาสนานี่หมดเสื่อมเชื่อมอย่างนี้เอ้เสย่างนีน่อย่างนั้นวันหนึ่งคืนไม่ไปไหนมีแต่แต่เรื่องพื้นเรื่องไฟ ถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนเวลาไหนแล้วเสร็จท่านเองไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันมันอุจจาระตาไหมมันเร็วขนาดไหนบ้าเนี่นนอยอ้อาวค<ข> อ, <ข>อน<า>ดิชั่นไ จะมีมีแหละคอยคอสเอพอะพระเน้นบุญมาก็ได้ถ้าเน้นใหม่บุญมา